เป็นวันที่สามก็เดินเสียงหาคมใช่ไหมที่สามนะวันนี้ขอพูดเรื่อง อ, อาภัยทาน <c oughs> คำว่าภัยทานนี่เป็นกฎสำคัญของพระโสดาบันกสกิทาคา ม, <c oughs> มีพอรู้ถึงภัยทานต่างคืนนั้นไายเอื้อกวันนี้คนนั้นด่ากูนียว่าใช่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 อนาคามีนี่มีคุณธรรมสองอย่างพน้นจากโสดาสีทาคาไปแล้วนะคือมีตัดกรมฉชันท่ากับปฏิฆะการมฉันท่าคือมีความพอใจในรูปสวยเสียงเขากลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศการมารมปฏิฆะคืออารมณ์ไม่พอใจอนาคามีไม่มีสองตัวนี้ แต่อ า, ารมณ์ก็ไม่มีความไม่พอใจก็ไม่มีทุกอย่างเป็นอภัยทานหมดใครจะด่ า, าออก็ไม่ว่าอะไรเขาจะว่างไม่ว่าอะไรตามใจชอบถ้าเขาดา่าคิดวก็ด่าตัวเองเขาดา่าทั้งนเมื่อเราไม่รับเขาก็ด่าตัวเองถ้ า, า, ายิ่งด่าไกลๆเรายังชอบเราไม่ได้ยินเขาด่าตัวเองไม่ได้ยินเองตอนนี้การปฏิบัติกรรมฐานญาญโยงพุทธบริษัทว่าเบื้องต้นเงินก่อน เบืองต้นจริงๆที่แนะนำบรรดาญาโยพุทธวิษัต์ทุกคน <c oughs> ใช้อนาปานุสติ <c oughs> เดี๋ยวอาจารย์ใหญ่อาจารย์ขวัญวามจริงๆแล้วตามที่พ่อปัญเคยสอนก็ดีพระพุทธเจ้าสอนก็ตามท่านจะใใช้วิปัสสนาญาณก่อนวิปัสสนาญาณอย่างอ่อนนี่ใช้ก่อนนั่นคือนิ จ, จัง ความไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข น, นาตาสลายตัว <c oughs> คําว่าดิจังหมายถึงว่าทุกคนคนก็ดีใส ก, ก็ดีในโลกนี้ทั้งหมดวัตถุธาตุก็ตามทุกอย่างไม่มีอะไรเที่ยงมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีการเปลี่ยนแปลงทุดสมเรื่อยไปในระหว่างกลางแล้มีการสลายตัวไปในที่สุดคนก็ตายใส ก, ก็ตายวัตถุก็พัง <c oughs>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 ในเมื่อความป่วยความแก่ความตายจะเข้ามาถึงเราก็มีบความนี้ทุกข์อนัตตาในที่สุดมันจะดึงไว้เท่าไรก็ตามมันดึงไว้ไม่อยู่มันก็ต้องตาย <c oughs> <c oughs> วงความป็นกายเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นสัตว์ก็ดีไม่มีอะไรดีมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปรวนนิยมกลางมีการสลายตัวตายในที่สุด ก็ ค, คิดว่าการเกิดนันุิรุโลกมันเมื่อในเมื่อ ม, มันไม่เที่ยงอย่างนี้เป็นทุกอย่างนี้เราไม่ต้องการมันอีกเราต้องการคือนิพพานหลังจากนั้นก็ทิ้งอารมณ์นิเสีย้ยหัเข้าไปจับลมหายใจเข้าออกให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกภาวนาว่ายัางไงบ้างเขาตามใจชอบเพราะคำภาวนาจะมีเยอะไม่ห้ามกัน แปลว่าถ้าไม่ชินกับคำบราอย่างอื่นใช้คำบรรณาว่าพุทโธให้ใจเข้านึกว่าพุทให้ใจออกนึกว่าโธแต่ว่า ก, การรู้ลมให้ใจเขาออกก็ดีคำบรวนาก็ดีบางทีท่านจะนึกว่าเราจะทํ า, าทั้งสิบนาทีหรือห้านาทีหรือยี่สินาทีก็ตามจงอยากคิดว่าคำบรวนาวกับลมให้ใจเขาออกมันจะทรงตัวตลอดเวลา สติสามารถจะคุมอยู่อันนี้ไม่จริงเราจะพัฒนาไปได้บางทีบ้างสองนาทีบ้างอย่างเก่งเราสามนาทีบ้างเดี๋ยวมก็คิดอะไรมาแทนจิตเพลินไปเรื่องอื่นไปอันนี้เป็นของธรรมดาพอเรารู้สึกตัวว่าจิตมันเริ่มเมื่อตามกฎที่จะตั้งไว้ไั่คิดเรื่องอื่นเข้ามาแทนนั่นก็เริ่มต้นใหม่จะหันกลับมาจับลงให้ใจเข้าออกใหม่ให้ใจเข้านึกไปพุทธ ใ, ใจออกโทโๆไปใหม่ ตอ น, นี้ถ้า เ, าเกิดอารมณ์เครียดจริงๆอย่าฝืนให้เลิกเสียถ้าฝืนจะไปลงสิมพัสดพระพุทธเจ้าไม่ต้องการการปฏิบัติต้องเว้นส่วนสุดสองอย่างคือห น, น, นึ่งอัตตะเป็นประานโยกเครียดเกินไปถ้านั่งเครียดเกินไปนอยเครียดเกินไปใช่ณ์เครียดเกินไปอย่างนี้ใช้ไม่ได้ไม่เป็นถ้าไม่ใชรไม่เจรทางมารุมาผล จะไม่มีอาการทรงแม้แต่ชานโลกี <c oughs> สองกรรมสุขานิการนิยกกรรมะแปลความใคร่คืออยากได้เกินไปอยากจะได้ชาลินหนึ่งอยากจะได้ชาลินสองอยากจะได้ชาลนสามที่ส ท, สสทสี่ห้าที่แปด <c oughs> <ท>อะไรก็ตามด็กถ้าร่ำอยากมีในขณะภาวนาพิจารณาอย่างนั้นไม่มีโอกาสได้ผลต้องใช้มัชฌิมาปฏิปทาเพื่อความสุขของจิตเป็นสําคัญ คือกำหนดรู้ลงไม่ใจเข้ากำหนดรู้ลงไม่ใจออกเพื่อความสุข็นสาคัญเมื่อจิตเป็นสุขใช้ได้มันจะเป็นชั้นชั้นไหนเชื่อมันเราต้องการอย่างเดียวคือสมาธิคือจิตเป็นสุขจิตไม่นึกถึงเรื่องอื่นที่เราต้องการเวลานี้เราต้องการอะไรเวลานี้เราต้องการลงไม่ใจเข้าออกเราก็รู้ลงไม่ใจเข้าออกเวลานี้เราต้องการภาวนาเราก็รู้คําภาวนา <c oughs> แค่นี้ใช้ได้ แล้วต่อไปถ้าหวังมรรคผลถ้าใช้ภาวนาจนกระทั่งจิตคลายตัวหมายความว่ามันชักจะเริ่มดิ้น ม, มันจะเริ่มเคลื่อนล้วก็เลยภาวนาเสียไปใช้อารมณ์คิดแทนคิดอยู่ในขอบเขตก่อนขอบเขตตั้งแต่ยัคิดก็คิดว่ามนุษย์สโลกนี่เป็นสุขหรือไม่ทุกข์ให้ใช้ปัญญาพิจณาวเองให้ ตามความเป็นจริงแล้วคนทุกคนมีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขจริงที่เราคิดว่าสุขก็เป็นความเป็นการหลอกตัวเองเท่านั้นเองควาจริงไม่มีสุขคนเรามีทุกประจําอย่างความหิวเป็นทุกข์ความหนาวเกินไปเป็นทุกข์ความร้อนเกินไปเป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกข์ความปรัถนาไม่ค่อยจะสมหวังเป็นทุกข์ความพัดพาจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์กรณีเป็นต้น วความมัทุกมันมีตลอดเวลา <c oughs> ตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายเราไม่เคยคลายความหิวเราหิวทุกวันนี่มันทุกประจําใจในเมื่อมันสลด ม, มั น, นมันทุกเรามันทรงตัวอยู่ได้ไหมก็ต้องถามตัวเองตัวเองก็คุณจะบอกว่าได้วอาจะทรงได้ไม่นานเมื่อหมดการหมดสมัยร่างกายมันก็พัง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 มีสภาพอย่างไรเกิดวันไหนรูปร่างเท่าไรอยู่เท่านั้นแต่เวลา <c oughs> <c oughs> แล้วสวรรค์ไม่มีงานการอย่างพวกเราไม่มีการไม่มีเหนื่อยไม่มีการป่วยไข้ไม่สบายแต่ว่าสวรรค์เป็นสุขจริงก็อยู่ได้ไม่นานหมดบนวัสนาบรบารมีก็ต้องกลับมาเกิดใหม่พ ม, ม่าโลกก็เช่นเดียวกันดินแดนที่มีแต่วความสุขจริงๆก็คือนิพพาน นิพพานเท่านั้นที่มีแต่ความสุขเขาไม่ต้องเคลื่อนไปไหนเ <c oughs> ขาเด็กขอญาโยนะถามพระทศอยู่นิพพานนานๆไม่เบื่อเลยครับเนีย่ยถามมันนะเคยมีคนถามพอคนถามประเภทนี้ต้องส่งไปตักคุสารให้หมอแก้ให้อนะไอ้ดินดินแดนใดมีความสุขไม่มีคำว่าเบื่อใช่ไหมกระรองความว่าการปฏิบัติกรรมฐานจริงๆอันดับแรก คืออนิจจังทุกขงังอนัตตาก้เห็นว่าโลกไม่เป็นอนิจจังไม่เที่ยงธรว่าโลกคือเราร่างกายของเรานี่มันไม่เที่ยงร่างกายของเราเป็นทุกข์ร่างกายเราเปนอนัตตาตายในที่สุดอ <c oughs> ืเมื่อเรามีสภาพแบบนี้คนอื่นก็มีสภาพแบบนี้ทิ้งเดียวกันหลังจากนั้นก็คุมสติสมัมปชัญญะยึดพระพุทธเจ้าวิธรรมพระอริยสงฆ์เป็นอารมณ์ ยอมรับนระผีก็พระพุทธเจ้าประท ร, รมพระอริสง์โดยหัดฝึดภาวนาภาวนา น, นี่คือ ก, การทรงสติสมัจัญญะนึกถึงพระ พ, พุทธเจ้าโดยเฉพาะคมพุทธโธเป็นพุทธานุสติให้ใจเข้าลงให้ใจเข้านี้เป็นต้นเห็นเป็นตัวต้นตัวสร้างสมาธิลงให้ใจเข้านึกว่าพุทธใใจออกนึกว่าโธนี่เบื้องต้นนะ แล้วหลังจากนั้นก็พยายามทรงสินให้บริสุทธิ์การทรงสินให้บริสุทธิ์วันนี้จะขอพูดเรื่องอภัยทานถ้าเรามีอภัยทานแล้วสินบริสุทธิ์ทุกทุกข์ทุกขทบอภัยคือการให้อภัยซึ่งกันและกันอย่างสัตว์ที่เราควรจะฆ่าได้เราก็ให้อภัยที่เราไม่ฆ่าของที่เราควรจะคำโบยได้เราก็ไม่หยิบให้อภัยที่เราไม่หยิบมา คนที่เราควรจะทําการเป็นตุนใช้จารย์ได้เราก็ให้ภัยเราไม่ทําคนที่ควรจะโกหกได้เราก็ให้ภัยเราไม่โกหกสุราเมรัยรก็ให้ภัยไม่ซื้อซะ่กินนะไม่ซื้อไม่ไป็นไรจะขโมยเขกินกแล้วกันนะแต่บอกไม่หลวงพ่อสั่งไม่ซื้อไม่ไปไรตักตวงกินเองเราก็ไม่กินมันอาภัยทานเนี่ยเป็นตัวต้นเป็นตัวสําคัญมาก อภัยทานอย่างอ่อนเป็นพระโสดาบัญอ <c oughs> ย่างกลางเป็นพระสกิทาคารมีอย่างสูงสุดเป็นตัณฐานาคามีเทระหันตอนนี้ถ้าถามว่าประโสดาบัญกับสกิทาคามีมีโกรธไหมจะต้องตอบเฉพาะพระโสดาบัญก่อนเพราะว่าประโสดาบันนี่มีถึงสามขั้นพระโสดาบันอย่างอ่อนนั้นเรียกว่าสตักขัดตุงอย่างนี้ความโกรธยังมี แต่ว่าโกรธไม่หนักให้โกรธไม่นานโกรธแล้วสักครู่หนึ่งก็จิตคลายตัวให้อภัยเขาไม่อยากจะโต้อตอบแปรพยทธิ์ถ้าปรโสดาบันถ้าขั้นโกลังโกละแข่งกลางแบบนี้เขาด่าวันนี้สามมีสามวันรู้สึกวันนั้นมันด่ากูดีกว่าด่าวันนี้นะยังไม่รู้สึกเขาด่านะ ที่สามวันันั่งเงียบเงียบแต่โอ้บางคนซื้อนี่มันด่ากูนี่ว่าไปแล้วช่างมันเถอะนะนี่ขั้นกลางถ้าเอกวิชีดาด่าวเดือนว่าด่าเดือนนี้เดือนหน้ารู้สึกว่าเขาด่ายังไงไปชาติไหวไหมลูกถ้าทางที่ดีนะมันมาหนึ่งให้สามเลยนะให้กำไรไปไม่ตาบรมีก็เป็นนั้นว่าพระโสดาบันก็ยะมีความโกรธ ให้ความโกรธไม่เท่ากันสัตาร์เขาตรงยังโกรธแรงอยู่นิดหนึ่ง <c oughs> <c oughs> นี่แปลงว่าคนที่เขาทำมาไม่ดีไม่ที่ไม่ถูกใจเราในความจริงเจตนาเสียก็อาจจะไม่มีแต่มันเป็นนิสัย <c oughs> นิสัยจากชาติเดิมนิสัยนี่มันตัดไม่ได้กิเลสตัดได้พระอราหันเนี่ยกิเลสตัดได้นิสัยตัดไม่ได้อ ร, ราหารันได้ก็เสียง เ, เดียวกันอย่าภาษาทีบุตรเนี่ย พระสารีบุตรท่งเคยเป็นลิงมาก่อนเวลาเจอลํำนำออาน้ำบางคลองหรือทานน้าลําย่อมพอย่าก้าวข้ามพ้นถ้าไม่ข้ามถ้าไม่ลยขัดขืนโดดเลยนั้นบรรดาพระสงฆ์ใหม่ๆสงสัยอักษสาวโวเบื้องขวาเลิงขนาดนี้จะได้ไปตามพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกสารีบุตรเขาเคยไปลิงเขาเคยเป็นลิงมาก่อนถ้าไม่เปลี่ยนานก็ที่นิสัยเดิมไม่ได้ ในคนที่ทําให้เราไม่ถูกใจคนใหญ่ๆจงพยายามให้อภัยไปอภัยทานเสียก็ยถือว่ามันเป็นบุญแล้วเป็นบาปแลเป็นนิสัยของเขานิสัยแล้วสันดานในสันดานในสันตติมาสิบต่อมาสิบต่อทุกชาติจะขอนําพระสูตรมาไล่ฟังพระสูตรแก้เมื่อยชันเรื่อมเมื่อยนะใช่ไหเดี่ก็ทุกชาติเดีย พระสูตรก็มีเรื่องสมัศั์คือเรื่องพระโลรุธายีพระในพุทธศาสนานี่มีพระยะองค์ในสมัยพุทธเจา้า <c oughs> ที่ว่าโลรุธายียีองค์เนี่ยจากเวลาจะพูดจากขาวเป็นดำดำเป็นขาวสร้างวิในัยให้เราใช้ในหลายสิบข้อ <c oughs> แปลว่าไอ้สิ่งที่ไม่ควรนะพยายามทำเสมอเนะี่ยที่ชาวบ้านเขาว่าดีโลรุธายีว่าไม่ดี พระเจ้าว่าอย่างนี้อย่าทําอย่างนี้ทำลูดายีท ำ, ทำแต่ว่าการสร้างวินัยก็หมายความว่าพระเจ้าังไม่ทรงบัญญติแต่ไปทำํำคนแล้วถือว่าเป็นต้นบัญญะเขาไม่ปรับโทษ <c oughs> สร้างวินยัยพระปฏิบัติจังไรสิบข้อลูดายีโลเลที่อบอกแล้วโลเลนะครา น, นี้เวลาที่เขาไปสวดตามบ้านยังสวดมนต์ตามบ้านนี่เป็นงานมงคลอย่างงานแต่งงานเนี่ย เขาต้องสวดเจตจำนานไม่เขาไม่ทำไมถึงไม่ต้องถึงที่สองจำนนนะเอาเอาสวดมนต์ที่เป็นมงคลทุกอย่างสวดโลหิายีขึ้นต้นก็กุศลาธรรมากุศลาธมารอสวดผีเขาเลยเ <c oughs> ห็พอถึงเวลาสวดผีขึ้นเชียนโตโพธยามุนิสั <c oughs> <c oughs> านังนี่โลหิายีแกเล่นอย่างแกเล่นเรื่อยๆนะดีไม่ดีบางครั้ง ธรรมาที่ภาษาทีา่บุตรก็โมกคลาเคยเทศเวลาท่านไปอยู่แกก็ไปนั่งใกลๆใครมาก็นึ ก, กนว่าโมกคลาภาษาที่บุตรเถนี่มนเทศขึ้นเทศแล้วเทศไม่ได้นี่นลาโลทายีเป็นมาท่านโลดทายีเนี่ยโลเลแบบนี้จนทั้งบรรดาพระสมนด็จแต่ว่าในที่สดุดแล้วก็ทําไมพระพุทธเจ้ า, าวไว้ว่าอยู่กับพระพุทธเจ้ า, าด้วยนะไม่คนที่อยู่พระเจ้าถือว่าดีทุกคนไม่ได้แต่ว่ากายดี ตอนปลายพะกมดีเต็มมัตราหมาความโลเลก็หายไปเป็นพระาราหันจะนานหน่อยนะนพระพุทธเจ้าทรงทราบเมื่อเมื่อท่านโลรุธา ย, ยีโลเลแบบนี้พระสงฆ์ก็เกิดความสงสัยเข้าไปถามองค์สมเด็จพระจอมไตร <c oughs> ว่าพันเตพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระพ่ายเจ้าพูเจริญพระพุทธเจ้าค่ะ อยากจะทราบว่าทําไมโลลุทายีนี่มันสมชื่อสมศักดิ์สิทธิ์จริงๆโลเลจริงๆไนงะ อ, อ๋อย น, นียังใกล้ๆนะพระเจ้าจบอกว่าโลลูทายีไม่ใช่โลเลในชาตินี้ใช่ก่อนแกก็โลเลรอชายก่อนมาเลยนะแไอบาป ท, ที่ทําให้โลลูทายีโลเลเนิพระพุทธเจ้าไม่ได้จัดทำไมเข้าบอกถ้าขึ้นบอกเกินพระต่วิดก็ไม่เอา <c oughs> เ่ตนอนในชาติก่อนโลทายีเนี่ยเคยเกิดเป็นพ่อฉันนี่ไม่ใช่ก้อยนะพ่อเพราะโพธิสัตว์เชื่อนะโอ้โหนี่หมเมขนาดโลเลนี่ว่างๆใครชวนไปนมนต์อะไรแต่งงานบ้านดีฮะกุศลาร์ทำมากุศลา <c oughs> จามัญาสลบเลย <c oughs> แต่คนไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรใช่ไหม ใ่กุศลาในีใครก็รู้เลยคนตายใช่ไหมคยกันท่านก็เลยบอกว่าในะสมัยชายก่อนโลสทายีนี่เป็นพ่อตถาคตตถาคตก็เป็นหมาเล็กของประราชาชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วนะก็เป็นคนพูดแบบนี้เสมอเป็นปกติวันหนึ่งประกกวัวมีสองตัววัวมันตายเสียตัวหนึ่งก็มันก็ขาดไป ถ้ต้องการให้ลูกชายลูกชายเป็นที่โปรดปรานเขาบาราชาเป็นหลเล็กที่บาราชารักมากเ <c oughs> พราะจะหลายครองแฝงทุกอย่างพอสมุทัตลูกชายเอ้ยบ้างๆแล้วก็ไปขอโคให้พ่อสักตัวนั้นเขาจะบาราชาท่านสมุทัตก็บอกว่าถ้ากับผ ม, บผมยังขอเองยังไม่สมควรขอรับมันยังไม่ไม่ควรเกินไปท่านที่ดีคุณพ่อขอเองก็ได้กัน <c oughs> แล้วสมมาทัศนก็นรู้เราพ่อทังตัวไปยังไงใช่ไหมยึงพาเข้าไปในป่าชาให้ผูกต้นหญ้าสมมติว่านี่เป็นพระราชานั่งตรงนี้นะกลุ่มนี้เ ป, นเป็นเป็นหมาอุปราชกลุ่มนี้เป็นเสนาวดีแคร์รามแล้วพ่อไปนั่งตรงนี้ซ้อมอยู่ตั้งสามเดือนแล้วก็ซ้อมคําพูดเลยนะ เวลาเข้าไปพ่อทศราชาถามว่าลุงเข้ามาทำไมพ่อบอกว่าเวลานี้โคของผมมีสองตัวมันตายแค่ตัวหนึ่งขอจับราชานหนึ่งตัวครับเทาแค่นี้นะสามเดือนนะแค่นี้นะสามเดือนในะคล่องดีแล้วไปซ้อมกันทุกวันใช่ไหมพอได้เวลาถึงเวลาจะไปก็บอกอท่านสมทัยก็บอกว่าพ่อไปทีหลังนะครับผมจะไปก่อนไปพร้อมกันไม่ดีเมื่อผมเข้าไปแล้วก็พ่อก็ตามไปทีหลัง ก็ไปก็ไปไปตามนั้นตอนเช้าผมมาสมมทัศน์ไปแล้วท่านพ่อตามไปก็ไปนั่งในไรทีทีเขาสมมติอะสมมเหมือนความจริงใช่ไหมะมมาทัศน์ปูผ้าไว้ให้ก็นั่งบนผ้าพอถึงเวลาชาก็ทราบว่าเป็นพ่อสมทัศน์เป็นว่าเลี้พิ่ลักษ์มาเนี่ก็ที่ว่าพ่อก็บม่เป็นไรกันเองถือเป็นกันเองถ้าคุณลุงมาโทรอะไรเรือคุณลุงกรุงกราบกราบทูลได้ทรงทราบ ตามความเป็นจริงว่าขอละเราขอขอถวายพระพรเวลานี้โคเข้าพระเจ้ามีสองตัวมันตายไปได้หนตัวขออีกตัวหนึ่งขอถวายพระองคพรเจ้าก็เฮงไงแจ่าไหมเมื่อมันตายได้หนึ่งตัวอีกตัวขอถวายเลยได้ซ้อมสามเดือน มันเ <t une> ป็นไปได้เ <laughs> วลาชาโกรสงทราบความจริงถามว่าคันรัฐสมัทิธสมัทัศที่บ้านเธอนั้นมีโคมากหรือสมัทิธเลยตอบว่าท่าบลงสมพระเจ้ทารก็มีมากประโยกแก่ทตหลุดไม่ด้สาใก็แย่รวลาชาชอบอกชอบใจเลยให้สิบหกตัวมัมีมากนี่คนที่โลเลเนี่ยบรรดาญาโยามพุทธบริษัท ที่นี่ใสไม่ดีมันติดมันแต่ชาติก่อนๆคนจะให้อภัยก็ถือว่าเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราดูแต่พระพุทธเจ้าคนทั้อย่างท่านโลหุตายีพระเจ้าไปสง่าเพราะอะไรไหมก็ <c oughs> คนทุกคนที่เกิดมานี่ต้องมีความดี <c oughs> ถ้าไม่มีความดีมาเลยในชาติก่อนจะเกิดมาเป็นคนไม่ได้ <c oughs> แต่ว่าในช่วงจังหวะนั้นไอ้ความดีที่มีมีอยู่นะ่ะมันยังไม่ให้ผล ผล ค, ความชั่วเข้ามาสนองก่อนเขากลายเป็นคนชั่วไปกินเหล้าเมายาโลเลไปทำเรื่องทำราวใช่ไหมต่อมาเมื่อกดของกรรมชั่วสลายตัวความดีปรากฏก็สามารถจะมีมักมีมักมีผลอย่างคนธรรมดาไหมว่าจากจนกลายเป็นรวยนะบางคนก็จากรวยกลายเ ป, ป็นซวยไกลไปไกลมาแบบนี้นะ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นหน้าบ้าพวกเรานี่กัเหมกันญาติโยมพุทธบริษัท พยายามใช้อภัยทานให้มากอย่าเจ้อจงอย่าคิดว่าฟังวันนี้แล้วพวกนี้ปฏิบัติได้เลยมันยังไม่ได้หรอกต้องพยายามใช้มันจะ ก, กลับวนกลับอยู่เสมอแล้วคิดว่าจะไม่โกรธมันจะโกรธนี่เป็นของธรรมดา <c oughs> ถ้ามีอภัยทานมากๆเวลาพูดก็ไม่ต้องเป็นแค่อินเดีย <c oughs> ใจไม่ร้อนใจมันเย็นออื <c oughs> เย็บเอ็นใจใจรอนเียไหอะไรนกะกะกะกเนี่ยคนคนที่ใจเราร้อนในขาดเรายทานนะนี่พวกนี้ตังท่านพ่อเราห้าแสนนี่ยเบาลงเออถ้าเรามีอภัยทานคุณอยาฝึกว่าคิดว่าความดีและความชั่วไม่ใช่เรื่องของเราเป็นเรื่องของเขาเข า, เขาพูดชั่วความชั่วอยู่กับเขา เขาทำชั่วความชั just, ่วอยู่กับเขาถ้ามันจะถึงตัวเราเราก็หลบยยามาสัมผัสกันพยายามสัมผัสนะถ้าเลบไปไหวก็หล่อตกตาไปชักดิ่มไปเลยหมดเรื่องราวไปห้ามพูดใร่ไหมอย่างเอออย่างฉานเนี่ยเมื่อก่อนบวดก็แบบเนี้ยก็ไม่ใช่เมื่อก่อนบวดไม่ใช่หาพิธานอดอดทนมั่งผลอดมังนะ ถ้าใครก็พูดเขาว่าก็ด่าเขาเท้าถ่ายไม่ชอบใจก็ยิ้มยิ้มยิ้มนี่เป็นปกติเขาด่านี่ยิ้มได้นะยิ้มเป็นปกติผัดยิ้มเพื่อชินชินแต่ว่าถ้าไม่ชอบใจมากๆจะทนไม่ไหวก็ลุกหนีไปแต่หนีแล้วอย่าตามนะถ้าตามแล้วไม่ได้ดินหรอกปังเดียวตีโป้งเดียวฟุบทุกทีนั่นก็สามรายเรียบไปนี้เลยนี่แตีทีเดียวฟุบเลยไม่ดิน ก็ก่อนได้ไปงี้นะลง ม, มาเดี๋ยวนี้มาไปงี้ได้แปลงเหมือนกันนะเ <laughs> มื่อก่อนได้ไม่ใช่คนดุแต่ไม่ชอบคนรวนและไม่กินเหล้าไม่สุบหรี่เห็นไหมไม่เที่ยวกลางคืนแต่พอค่ำค่ำก็ไปนนคืนไม่มีเห็น ย, ยอมบอกค่ำแล้วเอ้ยเล่เกยมาไปไหนเลยอ <laughs> ่อไปครับ ถ้าไม่บอกกลาคืนท่านบอกคํำคำเราไปเที่ยวไม่ไปเที่ยวไหนไปบ้านอาบ้างบ้านยาบ้างบ้านญานติผู่ยั่ไปคุยท่านช่วยใหญ่ไม่เจอไปหาญาติญาชอบสอนมินิทานนี่ไหมญย่าชอบสอนมีนทานนะปูเ่เคยไปรับเขา้าเคยเข้าสงครามเ ข, ข้าคำข้าเงี่ยวอ่ะท <c oughs> ่านชอบคุยเรื่องนี้ฟังเขาชอบฟัง <c oughs> กลับมาบางทีก็มีประโยชน์บางทีพอกลับมา ก, มากโม่จะเข้าบ้าน ขโมยเสียตรงนั้นแหละพอกลับมาถึงพอดีกับขโมยวันหนึ่งคนขโมยสองคนกําลังจะตัดรั้วความจริงก็ไม่ตั้ง อ, อกตั้งใจไม่ทําอะไรมากนิ้วก็ดิกไปนิดเดียวเสขโมยตายได้แ <c oughs> ม่พร <c oughs> จาาแปลกจินนะนิ้วเนี่ยนิ้วฝาเนี่ยกิบเล็กเล็ก <c oughs> มันกระตุกมันกระตุกอ่ะขโมยก็ตกใจนิ้วก็ตุกเลย ตุ้งๆุ้งแแก่ไวแล้วช้าหญ่ย่าถามว่าใครยิงกระโมยบอกผมครับพ่อยาสอนมนแล้วอย่าทำบาปวผมไม่ทำบาปครับของสายกระโมยมันถามทาไมขาบวนมาอดครับมันหิวถ้าถือนไม่ทำอย่างนี้มันก็หิวต่อไปนี้ต่อไปไม่หิวมันไม่บ่นเลยแบายใจพูดแล้วต้องรีบโดดต้นุนย่าตี ก็รวงความพยายามให้อภัยทานคิดให้อภัยไว้เสมอนะว่าคนดีเนะี่ยคนทุกคนในอยากจะดีคนทุกคนที่เกิดมาแล้วทั้งหมดเคยมีศีลเคยมีกำหนดสิททุกคนที่นั่งอยู่นี่ก็ดีที่ไม่นั่งอยู่นี่ดีอยู่ที่บ้านจะเป็นคนชาติไหนศาสนาไนก็ตามเขาต้องเคยมีศีลมาก่อนจะเกิดมีรูปร่างหน้าตาเป็นคนได้และไปการที่สองทุกคนต้องเคยมีทานบารมี ถ้าไม่มีทานเวรมีจะมีทรัพย์หินแม้แต่นิดเดียวไม่ได้เลย <c oughs> ถ้านุ่งก็ไม่มีใช่ไหมนี่กําลังของทานไม่เสมอกันเพราะเรื่อเขตของทานกันให้ทานเนี่ยถ้าคนฉลาดลงทุนน้อยแต่ก็ได้ผลมากถ้าไม่ฉลาดได้ลงลงทุนมากต้องได้ลงทุนมากเ ม, มียที่สูงน้อยเป็นต้น <c oughs> เป็นด้านปัญญาปัญญาคนคนุาคุยอบรมมาแล้วแต่ว่าทําไมจริงเร็ว ว่าทุกชาติที่ เ, เกิดมาเราต้องทําบาปบุญก็ทําบาปก็ทําเวลาที่บาปให้ผลมันก็งโง่ทุกอย่างเห็นอย่างดีเป็นชั่วชั่วเป็นดีเวลาที่บาปให้ผลเราต้องให้อภยัยเขานึกถึงตัวเราเขาเฉยๆไม่กันว่าเราบางครั้งเราก็โมโหโทโสเชียบ้านในการที่โมโหโทโซเชียบ้านเนี่ยมันตัวบาปจำไว้นะโมโหเนี่ยบอกว่าแล้วก็ถ่ายพวิดีโอติแต่งร้องวีดีโอไว้ โมโตั้งแล้วมาถ่ายเราท่าไหนบั่งเขาเริ่มโมโหเริ่มมาใายดูนี่สวยไหมเสียงพูดกันเหมือนกันดีมันเดี๋ยวฟังไม่รู้เรื่องในโมโหเนี่ยโมโมโหคือโมหะตนหลงมาจากบาปนี่ความจริงคนทุกคนก็ต้องมีบาปแล้วก็ต้องคิดว่าบาปไม่ผลเขาตลอดไปสักวันหนึ่งข้าหน้าความดีของเขาต้องมีที่มีอยู่ต้องให้ผลแล้วให้ภัยเทีย จิตแล้วก็ไปสุขพยายามให้ให้ไปเขาด่าเดียเด๋ยวนี้เดี๋ยวนี้โกรธต่อไปวันรุ่งขึ้นจิตเป็นคลายตัวคิดก็คิดว่าการต่อกรตลอดการที่คนที่ด่าเราไม่มีเราให้ให้ได่าแล้วก็แล้วกันไปค่อยๆทําอย่างนี้ไม่ช้าอารมณ์ก็ชินคำว่าชินคือชานท่านี้วันที่สอนก็นมาถานการมาพูดเรื่องอภัยทานมันเป็นเป็นเอาฐานก่อไหน ก็ต้อง ต, อ, ตอว่าเป็นกองศีลานุสติกรรมฐ า, านอาภัยทานนี่นะเป็นทานสูงสุดในพุทธศาส น, น, นายังขอบรรดาญาโยมพุทธไวสัตย์ายโดยทนหน้าและเวลาสองนาทีตั้งแต่บัดนี้ไปตั้งใจคิดให้อภัยทานไม่เป็นปกติจิตค่อยๆเยือกเย็นมันแพ้บ้างชนะบ้างชนะบ้างแพ้บ้างไม่เป็นไรไม่ช้าแล้วก็ชนะเป็นที่สุด ถ้าชนะถึงที่สุดมื่อไรท่านได้ครึ่งหนึ่งของอาณาคามีอะตอนนี้ไปธรรมดาแยกโยมบริษัททุกท่านตั้งใจสมาทานเชืสมาทานนกรรมฐาน